ก็จะขอแนะนำบรรดาครูผู้สอนและครูผู้สอบสำหรับครูที่เข้าไปให้การแนะนำเสธิ์นี่ก็ยังรู้สึกว่าบางทีเพราะว่าเป็นของใหม่นะฉันยังไม่ถือว่าใครทําผิดทุกคนมีเจตนารีแล้วก็ทําถูกทุกคน แต่ถ้าว่าในบางกรณีบางทีเราจะนึกว่าคนผู้มาฝึกใหม่จะมีอารมณ์จุ๋มจิ๋มเหมือนเราตอนนี้ก็เลยเกิดการเข้าใจผิดจะไปฝึกเขาในตอนต้นเห็นคนนั้นไหมเห็นคนนี้ไหมเห็นพระอะไรเห็นเทวดาอะไรอย่างนี้ในตอนต้นยังไม่ควรฝึกเพราะว่าเป็นของเล็กน้อย ขอให้ครูผู้ฝึกทั้งหมดตั้งจุดสำคัญไว้ว่าอันดับแรกสิทธิผู้รับทำการฝึกมีอารมณ์แจ่มใสหรือไม่แล้วก็จะไปโทษว่าคนใหม่นี้ไม่แจ่มใสก็ไม่จริงบางคืนที่ลงไปด้วยเมื่อใช้เจโตบริยญาณ เข้าตรวจิตคนที่เข้ามาใหม่บางคนก็แจ่มใสละเอียดระโออมากแจ่มใสสะอาดบางท่านผู้นี้เวลาเข้าไปถามเวลาเขาตอบไม่มีอะไรขัดข้องและตรงตามจุดประสงค์ทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่บางท่านก็รู้สึกว่ามีรมใสนิดหน่อยตามขอบ ภายในบางทีมีสีแดงบางทีก็มีสีดาถ้าท่านที่มีสีดามากนี่มีอารมมัวมากสีดาเป็นปัจจัยของโมหะและสีดาเป็นอารมณ์ของกังวลถ้าว่ากันตามสภาพของจิตถ้าจิตมีสีดามากก็มีกังวลมาก มีสีดำน้อยก็มีกังวลน้อยถ้าอารมณ์จิตเขาเน้นปฏิบัติที่มีกังวลอยู่นี่การปฏิบัติของเขายังถือว่าไม่มีผลอะไรจริงจังจะได้คําตอบที่ตอบออกมานั่นเรารู้ว่าเขาตอบผิดและตอบถูกแต่เมื่อคําตอบที่ตอบมาครูก็ยังไม่ควรจะปฏิเสธว่าเป็นการตอบผิด ด้วยราะว่าโดยเจตนาจริงๆเขาอาจจะตั้งใจต่อให้มันถูกแต่ว่าใสายอารมณ์ของโมหะเข้าไปครอบงําจิตเรื่องความกังวลเข้าไปครอบงาจิตไอ้ตัวกังวล น, นี้ก็มาจากโมหะกิเลสเรื่อ ว, ว่ากิเลสก็้ชัดในได้ขอสัญญศิษย์ความกังวล น, นี้ก็มาจากอวิชชา ดังนั้นมันในเมื่อจิตเขาถูกครอบงาอยูได้เาเอาวิชาหรือโมหะความเห็นความรู้สึกก็จะพลาดสร้างไปบ้างอย่างนี้ครู ก, ก็จะค้านตรงที่ว่าถ้าเขาตอบผิดจงคิดว่าคนที่มาฝึกใหม่ทุกคนเหมือนกับเราสอนโรงเรียนอนุบาล อย่าเข้าใจว่าเขารู้เท่าเราในพฤติกรรมหนึ่งอารมณ์ของเราเองก็ไม่กันบางวันมันก็บัวบางวันมันก็ดีทีนันครูทุกคนต้องอาศัยบา ร, รมีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญก่อนที่ออกไปฝึกกระสอบถาม ผู้นักศึกษาก็ขอให้แทนเชิญบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในจิตของเราเสียก่อนให้เห็นองค์สมเด็จพระชินวรอยู่ภายในและภายนอกก็ได้ในการสอบถามเมื่อรับคำตอบจากศิษย์ จิตวก็ถามพระพุทธเจ้าว่าถูกหรือผิดแ้วในการที่สองท้าสิทธ์มีอารมณ์มัวก็จงให้ใช้พิจารณาขันห้าให้มากตามแบบฉบับที่ดีที่สุดก็คือแบบฉบับที่สอบแป้วนะ่าดีที่สุดก็การตัดขันห้าตัดความกังวล เป็นปัจจัยจุดหนึ่งที่ให้จิตมีความสว่างและบริการอิบริการหนึ่งบางทีอาจารย์ผู้สอนเห็นสภาวะจิตของสิทธิ์ไปอยู่จุดนัน้นจุดนี้แล้วแต่ว่ารูปสิทธิ์บอกก็ไม่รู้ไม่ได้ไปอันนี้ครูจะต้องรู้ว่า อารมณ์ของจิตมันมีอยู่สองอย่างนั่นก็คือหนึ่งจิตคำว่าจิตนี่เป็นหลักใหญ่ของกระแสที่ที่มีความรู้ <c oughs> เหมือนกับดวงไฟที่เราจุดอยู่เมื่อเราจุดไฟแต่เกียงแสงไฟมันอยู่ตรงนี้ แต่ว่าแสงสว่างที่สาดไปบริเวณ ร, ร, ร, รอบภายนอกนั่นไม่ใช่ ด, ดวงไฟมันเป็นแสงสว่างจากกระแสของไฟที่จุดออกไปเสภาพของจิตก็เหมือนกันจิตมันเป็นตัวรู้แต่ว่าอารมณ์ที่ไปกระทบสมัมผัสรอบๆภายนอกเขาเรียกกันว่าเจตสิก คือเป็นการแสของจิตที่เขาไปรับทราบเจนั้นบางทีครูบาอาจารย์เห็นสิทธิ์สมมุติว่ายืนอยู่หน้าพระจุลามณีได้ความจริงรูกสิทธิ์ไปได้จริงแต่อารมณ์โมหะที่เรียกเรียกกันว่ากฎของกรรมถ้าจะเรียกกันว่ามารก็ต้องเรียกกันว่ากิเลสสมาน มันเข้ามาบังอารมณ์จิตของสิทธิ์เจ้าถ้าไม่สามารถจะรู้สึกตัวไม่ได้ความรู้สึกว่าเวลานี้อารมณ์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ครูก็จงอย่าเขี่ยวเข็นลุกสิ์ให้เกินไปจงพยายามให้ตัดขันห้าให้มาก ให้ตั้งใจนึกถึงบา ร, รมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำช้าๆสำหรับผู้เป็นสิทธิ์เมื่อรับคำแนะนำของครูต้องคิดตามทันทีไม่ใช่ยาไม่ใช่ไม่ใช่รอครูพูดจบดูตัวอย่างประวัติของขุจืปินนั่นดีที่สุด คุณยมปินบอกว่าหลวงพ่อพูดเร็วเท่าไหร่แล้วก็เร่งจิตเร็วเท่านั้นนั่นถูกต้องที่สุดฉะนั้นบวิคุณยมปินนี่นักปฏิบัติที่ยังมีจิตไม่เข้าถึงควรจะเอาไปฟังแต่เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาขายเทปอีกไม่ขายขาดทุนอยู่แล้วนะไอเครื่องบันทึกเสียงเรียกว่าแผ่นเทปที่ซื้อไปเนี่ย พิชเชลเลยแล้วมันขาดทุนเยมากถ้าคิดแต่ค่าค้าเสรมันก็ไม่ขาดทุนเวลานี้เสียงเพลงเขาขายกันสี่สิบบาทเศษ็จสำนักอื่นเขาขายกันสี่สิบสี่สิบห้าบาทบ้างหกสิบบาทบ้างสำนักนี้ยังยี่สิบห้าบาทอยู่แต่ว่าทําไมถึงกล้าทําก็ก็คิดว่ามันเป็นธรรมทาน การเสียทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่เป็นโลภยทรัพย์แต่ด้ว่าผู้ปฏิบัติได้มาซึ่งอริยทรัพย์สำนักพอใจแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรในความดีที่มีคุณสูงสุดดีกว่าพวกทรัพย์ ถ้าถ้าจะพูดไอทิงอทีก็หมายความว่ายอมซื้อความรู้ความดีให้แก่ท่านผู้หวังดีในการปฏิบัติในพุทธศาสนาแลวลาพูดเป็นภาษาไทยชัดๆก็เรียกว่าครูยอมซื้อยอมซื้อตำราให้รู้สินี่เป็นอันว่าถ้าเทพปฏิบัติที่จะไปฟังที่บ้านก็ยังไม่ได้ฟังของทุกคน ถ้าเทพฝึกที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าของแปลนน่ะดีมากเพราะว่าฟังของแปลวแล้วรู้สึกเหนื่อยก็บขาดใจตายเลยต้องใช้เวลาพิจารณาแนะนำในการตัดอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงอันนี้แะดีถ้าผู้ฝึกใหม่ได้เทพนั้นไปดี แต่เวลาฟังก็อย่าฟังให้มันผ่านหูเขาสั่งให้ตัดแบบไหนพิจารณาแบบไหนแล้วก็ทําตามนั้นคิดว่านี่เป็นคําสั่งเพื่อเราเพียงเท่านี้จะฝึกที่นี่ไม่ได้ไปฝึกที่บ้านเหมือนคนได้เขาไม่ได้ห้ามดังนั้นขอบรนดาท่านผู้เป็นผู้นักฝึกเพื่อผลเร่ความดีของท่าน เมื่อเวลาผู้แนะผู้แนะนำเขาแนะนำอะไรให้จับถ้อยคำทุกถ้อยคำและจิตกำหนดไปตามนั้นรายการดีสองต้องมีความเข้มแข็งของจิตเขาบอกว่าเวลานี้สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่น เราก็จิตพุ่งไปที่นั่นจิตตั้งไว้ตรงนั้นว่ามันอยู่ตรงนี้แน่มาเห็นไม่ห็นแเป็นเล่นกันแบบตาบอดคาช้างเ็าบอกว่าท่านจงตามพระพุทธเจ้าเข้าไปในเขตพระจุลามณีเราก็พุ่งจิตไปว่าตรงนี้แหละพระจุลามณีนี่เป็นการฝึกวิชาสามละอวิน ญ, ญาเขาใช้กันแบบนี้ ไม่ใช่อยู่ๆก็จะโผล่ขึ้นมาเฉยๆแล้วตอนนี้ถ้าครูก็ถามว่าเห็นพระจุลามุณีไหมจงอย่าลืมนะว่ารู้สิทธ์นี่มันเอาตาไปเอาแต่ใจไปการรู้การเห็นทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์สะอาดและสุขปรกของจิตไม่ใช่มองด้รูกตา ก็ใช้จิตพิจรารณาว่าใช้ถ้าอยูจ่จุลาโมนีในสีอะไรวะถ้าบอกว่าสีแดงต้องใช้รวมแรกแดงเป็นแด ง, แดงเดงขียวเป็นเขียวตัดสินใจแบบทู่สีแบบนี้มาด้วยไปแต่สำหรับครูผู้ฝึกก็จงระวังถ้าจิตของเราละเอียด ก, กว่า ตาธมธรรมดาจิตของครูย่อมละเอียดมีการสัมผัสอยู่บ่อยแต่ก็จงอย่าลืมนะถ้าครูที่ไม่ใช่พระอาหารหันบางวันจิตใจมันก็หมุนหมุนเอามันกันอันดับแรกจงให้กำลังใจกรุศสิทธ์เท้าตอบแดงก็นแดง ถ้าตอบเขียวว่าเขียวเราไม่สนใจถ้าเขาตอบว่าเวลานี้เขาอยู่ภายนอกเขตพระจุลามณีและครูก็เห็นว่าเขาอยู่นอกพระจุรามณีก็ต้องตอบให้กำลังใจกสิทธให้กำลังใจตามความเป็นจริงเพราะนี่คําตอบของคุณถูกต้องคุณจงมั่นใจ ว่าเวลานี้ว่าจิตอยู่ในรมของสมาธิมันไม่มีอุปาทานในเมื่อมันไม่มีอุปาทานมันก็บอกถูกสมมติว่าบางคนเห็นพระจุลามณีเป็นสีทองบางคนเป็นสีเงินบรรทมในสีแก้วขาวบางคนมีแก้วผสมถามว่าคนไหนถูก ก็ต้องตอบว่าถูกทุกคนถูกตามกำลังจิตของบุคคลผู้ฝึ ก, กเพราะว่าพระจุลานุนีจริงๆเป็นแก้วเจะการแก้วเจะการก็คือแก้วเจ็ดสีแก้วชั้นดีของดาวดิงในเมื่อสมาธิของผู้ปฏิบัติยังอยู่ในวงแคบ ก็จะต้องเห็นเฉพาะจุดสีอะไรก็ใช้ได้โม้หรือมุดก็ใช้ได้เราต้องการทานั้นต้องการกําลังใจครูก็จะให้กําลังใจกับสิ์ว่า น, นี่คุณมั่นใจได้แล้วนะกําลังใจของคุณได้ออกมานี่มันถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ความจริงในตอนนั้นลูลสิต อาจจะรู้ตัวเองว่าดอกแดกดอกแดกมันแน่เดี๋ไม่แน่มันใช่หรือไม่ใช่ดีไม่ดีกูไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่พูดออกไปตามจิตสัง่งถ้าจิตอยู่ในสมาธินะ่ะถ้าจิตอยู่ในสมาธิถ้าจิตไม่สัง่งมันพูดไม่ได้ไม่เหมือนอารมณ์ที่คลายสมาธิแล้ว ถ้าหากว่าจิตก็อยู่สมาธิจิตสั่งตามนั้นบางทีครูจะต้องถามนำว่าเห็นพระจุลามนีไหมเวลานี้คนยืนอยู่ที่นั่นแล้วรู้สิกก็ต้องตัดสินใจว่าครูเขาเห็นก็แน่ใจว่านี่เรายืนอยู่ใกล้พระจุลามนี ต, ตอบว่าใช่ เล้อใช่พรครูบอกว่านี่จิตใจของคุณดีแล้วตอบถูกต้องให้มั่นใจในความรู้สึกของคุณเพราะอันดับแรกต้องใช้จิตสัมผัสแล่ต่อมาในริยะที่สองครูก็แนะนำว่าเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในพระจุลามณีเราก็ตัดสินใจเลยเข้าไปเลย มันจะเข้าไปทางไหนเห็นไม่เห็นก็ช่างมันนึกว่าเข้าไปกลางพระจุลามณีแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อคืนนี้ฝึกคนอันดับแรกอย่างด็กเตอร์ปิิญานี่แกเพิ่งมาฝึกใหม่ให้ลาพุทธูิตัดสินใจตอนแรกก็ก็รู้เหมือนกันว่าเกิดมุด บอกว่าเวลานี้ถึงพุจุลามณีหีือย่างแกมีความเข้มแข็งพอพอมีความรู้สึกว่าถึงพระจุลามณีเอาต้องการเอาให้เข้าพระจุลามณีจะอยู่หน้าประตูก่อนว่า อ, อยู่หน้าประตูให้รวบรวมกาลังใจนึกถึงบารมีของพระเทเจ้า ตั้งใจตัดขันห้าตัดพระโพธิญาณพระปรารถนาพระโพธิญาณมาก่อนว่าการตัดอารมณ์พระโพธิญาณก็เพื่อปรารถนาจะทำกิเลสให้เป็นสมุิเธตระหารเพื่อจะช่วยช่วยสืบอายุศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมาณเพราะต้องมีเวลาถึงสองพันปีเศษ ขอสมเด็จพระบรมมรรคเชษฐ์ช่วยโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีอารมณ์แจ่มใสเมื่อนุสิทธ์จะจำเป็นนะพ่ถ้าอาจารย์พูดแบบไหนตัดใจตามนั้นทันทีไม่ใช่รอเขาพูดจบแล้วมานั่งนึกถ้าพูดจบถามเธอว่าพอเห็นพระจุลามนีได้อย่าง เธอตอบได้ทันทีเลยว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ายืนอยู่หน้าประตูเขา้านี่มันดาวศิษฐ์ผู้ฝึกต้องจําไว้นะว่าเรื่องกําลังใจนี่ขั้นแรกก็พุ่งมันทรงเด็ดไปเขาว่าอย่างไงก็ว่าตามนั้นประเดี๋ยวเดียวแต่ถ้ากําลังใจมันมีความจริงมันก็เกิดด้วยกําลังใจ อารม์ันก็สายยาวตาไปดูแล้วไม่ได้แบกหูแบกตาแบกปากไปด้วยการพูดกันในสมาธิก็ใช่อารมณ์จิตถึงแม้ว่าจะเห็นรูปเป็นปากแต่ที่นั่นมีสภาพเป็นทิศไม่จําเป็นต้องใช้เสียงเสียงเขามีในความเป็นทิศคุยกันยังไงก็ได้แต่ไม่ได้ใช้ปาก เราตอบไปตามความรู้สึกสิ่งที่รับจากคำตอบก็คือความรู้สึกของเราให้เข้าใจตามนี้แล้วครูก็จงเข้าใจเมื่อเธอเข้าไปในพระจุลามณียิงให้ขอกราบลาทูนทอมทูลตาลาพุทธภูมิโดยในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า ตอนนี้ถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังเธอตอบว่ารู้สึกมัวให้ตัดสินใจา่ายกันห้านึกถึงบารมีของพระพุทธเจา้าแล้วให้สัญญาว่าการถอนจากพุทธภูมิก็เพื่อจะช่วยประกาศพระศาสนาให้พระศาสนาครบทรงอยู่ห้าพันปีตามกำลังปัญญา เพียงเท่านี้เธอก็ตอบได้ว่าเห็นพระพุทธเจ้ารัางๆความเห็นนี้ไม่ที่รลบตาถ้าสีขาวถ้าแท่งสีขาวเท่านี้เราพอใจความจำใสหรือไม่จำใสนั่นอยู่ที่รู้สิทธิไม่ที่อยู่ที่โครูาขาตาโรตาถาข้าตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าตาถาคตเป็นเพียงพุ่มบอกแต่ถ้าบอกไปแล้วครูยังรู้สิทยังดื้อยั ง, อย ง, ออยงด้านอยู่ ก็เกินวิสัยของครูที่จะสอนตอนนี้จุดการแนะนําของครูในการสอบถามนี่ก็รู้สึกว่าบางทีครูผู้สอบถามอาจจะถามจุกจิกเกินไปที่ได้บอกไว้แล้วว่าเราอย่าลืม ว่าจงเราจงคิดว่าเวลานี้เราสอนนักเรียนอนุบาลดังนั้นเวลาสอบถามเยาวถธาสอบถามจู้จี้จูจิตว่เห็นถ้าอินไหมเห็นคนนั้นไหมเห็นคนนี้ไหมอันนี้ไม่ต้องถามตรงไปเลยว่าเวลานี้จิตเข้าพระจุลามุนีได้ไดหรือยัง หรือว่าเวลานี้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัามพุทธเจ้าไหมเอาจุดสาคัญเมื่อเข้าจุดสำคัญก็าสามารถเห็นได้ให้ขับขันห้าให้มีอารมณ์แจ่มใสไอ้คำว่าแจ่มใสเนี่ยก็พอเห็นลางๆรู้สึกลางๆก็ใช้ได้ตอนนั้นเราก็ให้ตัดใจ ว่ายเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรทูลถามว่าในชาตินี้ถ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเข้าพระนิพพานไหมก็ทูลขอพระองค์ทรงย่ำใช้วิธีเยี่ยมพระโอษฐประอวโยะหัดเพราะว่าเขายังรับคำตอบไม่ได้ แต่ว่าบางคนก็ดีแสนดีเรื่องจับอารมณ์นิดเดียวแจ่มใสจิตเป็นระกายคล้ายเพชรในคนที่เขาเก่งจริ ง, รงๆมาก่อนก็มีที่มาฝึกที่เนี่ยอารมณ์เขาเข้าถูกต้องแล้วแต่ถ้าว่าไม่ได้ฝึกวิชาการนี้โดยเฉพาะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เพียงแค่อารมณ์จิต ปักพระนิพพานอย่างเดียวอันนี้มีอยู่แต่ท่านบนนี้อารมณ์ไม่แจ่มใสนะักบางทีก็แจ่มใสาบางทีก็ไม่แจ่มใสมีบางคนเห็นใสายแจวเข้าไปทำไม่มีอะไรสะดุดเลยถ้ามีสีดํามากก็สะดุดมากมาทีไปไม่ได้เลยถ้ามีสีแดงมากเป็นปีติตัวนี้ระวงัง อารมณ์เผลอมีง่ายฉะนั้นครูผู้ฝึกควรจะฝึกดูจิตของคนสิด้วยเราเรียกกันว่าเจโตุบริยายานเมื่อได้พิญญาส่วนนี้แล้วก็ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปหาว่าเจโตุบริยายานเขาเป็นยังไงเพราะว่ากำลังข้อพิญญามันคุมเพื่อนได้อยู่แล้ว คือ เ, เวลาที่จะาฝึกตั้งใจจะไปหาคนไหนทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าจิตของคนนี้มีลักษณะลักษณะสีเป็นอะไรถ้าเป็นสีดำมากเขามีกวล ม, มากดีไม่ดีคนประเภทนี้เราก็เข็นไม่ไหว อาตออาศัยบ ร, รมีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยขับกำลังใจคือโมหะและวิชาที่ครอบงาจิตหรือว่าความกังวลห่วงใหญ่นั้นให้สลายไปจากการุงจิตของเขานี่แล้วก็ต้องเล่นวิธีรักษาแบบนี้ถ้าเข้าไปสอบเวลาสอบยาหารจากพระพุทธเจ้าต้องขอพระพุทธเจ้าช่วยเสมอ เมื่อจับจุดดาวดึงได้แล้วจุดที่สองก็คือนิพพานแนะนําเมืองแค่สอนจุดท่นั้นอย่าไปแนะนําเห็นที่ว่าดาวองนั่นไปเห็นที่มา น, นี่ไหมสีเวลาเปล่านั่นไม่ใช่สาระสําคัญในการฝึกสาระสําคัญที่เราต้องการก็คือมีอารมณ์จิตเข้าถึงนิพพานหรือเปล่า ถ้าเขาถึงนิพพานไม่ได้ถึงดาวดึงไข่นั่งจอ่อแค่ดาวดึงนั่นแหละเราก็ไปฝึกคนอื่นต่อไปถ้ายายเข็นบณิตพันได้เราเข็นอย่าไปพาเที่ยวอย่าไปคิดว่าข้างซ้ายเทวด า, วาองค์ไหนข้างขวาเทวดาองค์ไหนอันนี้เสียเวลาเปล่าไม่ใช่สาระสําคัญที่เราต้องการในอันดับแรก อันดับแรกต้องการนำคนวิ่งให้ถึงธงชัยคือพนิพานในเมื่อเขาเข้าไปนะในพระจุลามมนีได้ในเมื่อเขาเข้าไปในพระจุลาโมนีได้แล้วถาม่เห็นพระพ to, <Jazz. S 2> <Jimmy> ุทธเจ้าไหมเห็นเราก็ทูลขอว่าคนนี้จิตใจในระหว่างนี้ อยู่ในขั้นฌานโลกีหรือฌานโลกุตระสรงใช้คำอธิฐานให้เขาสงใช้คำขอในการให้พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์หรว่ายกพระหัตต์ <c oughs> สมมติว่าถามว่าคนนี้ให้เขาถามกลาบทูลถามก่อนจะทูลถามให้ตยายกันห้าเสียก่อนถามว่าห่วงตัวไมมตัวจะตายตัวสกปรกหรือเปล่าหรือสะอาด คนที่เราเคยรักเวลานี้มีความรู้สึกเป็นยังไงเขาสะอาดแสุขกอยากจะรักเขาต่อไปไหมหูใหญ่ในทรัพย์สินไหมถามให้ ร, รอบๆไปในเขตของพ่อนาคามีในเขตของพ่อนาคามีก็คื อ, คอตัดการมชันทะในะการตัดรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเด็งเป็นตน้น เือกิหรือว่ากลิ่นหอมถามในลักษณะในจุดของระอนาคามีถอยหลังมาถามทั้งศีลว่ามั่นใจในศีลว่าบริสุทธิ์ไหมถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แกไปก็ไปได้เรานำไปเดี๋ยวเดียวจิตว่างอจะนิวอณเดี๋ยวเดียวกลับม า, าจะลงนรกก็ได้ มันไล่เบี้ยของศิลคิดว่าศิลนั่นเป็นบริสุทธิ์ถ้าศิลป์ไม่บริสุทธิ์สัตัวเดียวไปไหนไม่ได้เวลานี้ปรากฏว่าเทพหน้าที่หนึ่งจะหมดไปก็ขอรอประเดี๋ยวคอยเปลี่ยนหน้าเทพครังหน้าสองต่อไป